พระบัญญัติก็ภิกษุใดชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลำเดียวกันไปทวนน้ำก็ตามไปตามน้ำก็ตามต้องอบัตปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชบาคีจบ